มีไปตั้งใจอธิษฐานจิตรมสมาธิภาวนาบูกาสะะระพทเจ้ า, าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์งเพื่อให้จิตของท่าพระเจ้ า, ารรเป็นสมาธิปฏิฆาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจรงิงในคำสอนของสมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้า ภูกระการเพินภูโูคำมูแสงปู พุทโธเพียงคำเดียวพภคพร้อมลมเข้าโพพร้อมลมออกหรือถ้าการกำหนดลมมันลำบากก็ น, นึกพุธโธุทโธพุธโธท โ, โธเพียงคำเดียวทำจิดให้แ้วแน่ ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ ส, ระสงอยู่ในผิดของเราเราจะกำหนดเอาผิดของเราระพุดคุยให้อยู่ด้วยกันไม่รากจากกันในพันต้ น, ตน พยายามบริกรรมภาวนาพู้โทผู้โทผู้โทผู้โทนึกผู้โทด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพู้โทไม่หยุด กำหนดรู ล, ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุโทโธก็พุทโธลมเข้าอพดลมเข้าโทลมออกกำหนดรูพร้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปเลิกว่าเมื่อไรทิตจะสงบเมื่อไรทิตจะสว่าง เมื่อใดจะรู้โน้นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกท้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาโพโธโพโธภพโธโพโธภพโธโธอยู่ในจิตอย่างเดียวเิตจะสมให้เป็นเรื่องของจิตเอง จะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองาหากในขณะใดจิตยังนึกสุโต้โตโต้โตอยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นถ้าขณะใดนึกสุโตไปจิตหยุดโตโต้ไปนิ่ง วางอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม่จิตจะเป้นิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้น หลังจากนั้นถ้าว่าคิดหยุดนิ่งไปนต้ถึงสิ่งใดลอยให้คิดคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิดถ้ามีความคิดเราสร้างใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิด แล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้ อ, อยู่ที่ความว่างถ้าคิดรูอ้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้น เขาใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิแน่นอนเขาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งแบบิจและคารหัตผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆนี่มีน้อย สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปชิงสุขก่อนามหรือรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความเพียรู้เอาโดยสัญญา เป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังของจิตที่มีสมาธิมีสติและมีปัญญาโดยธรรมชาติของการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อตัวปกติ ที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเองสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานพอที่จะเป็นสมาธิได้เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม พอมาที่เกิดเพื่อนได้ทุกขดะบางครั้งมีเสียงอันเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบวิ่งเข้าไปสู่จิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบ จิตเพี่ยเข้าไปกำหนดรู้ที่ฉิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ ผู้ที่ัำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา เมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมปชัญญะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีแล้วสติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอาเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวก็จะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิคม้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิต แต่ถ้ามีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเจตเมีสติสัมปัช ญ, ญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เมื่อเ้าลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเตืนยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่ง เวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาเดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดืม่มเวลาทำอะไร สติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพู้สติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรูร้ความคิดตลอดเวลา เมื่อสติกหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะที่ทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นสต์จะมีสติกหรรนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลโร้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้ น, น, น สิ่งใดที่ทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอ ก, กบตัวเองว่าอย่าอย่าอย่าสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางข้อม คนละธรรมที่จะปฏิวัติสิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีเฟร่งมันขยันนี่ทิสังเกตความเป็นไปของจิตของคนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่น เรามีความหวังดีต่อคนอื่นจากจะให้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนจักเสือนเขาถ้าเขายอมรับติตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมจากเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาลานี ด้วยความหวังดีที่จะช่วยพระยุงความระพฤตายวาจาแต่ใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าหากวช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังว่าว่าธรรมสั่งสอน เจตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้กิดมีการร้ารานแตกสามัคคีเ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะการกระเพิดปฏิบัติธรรมนี่มันข <c oughs> ึ้น อ, อยู่กับสมรสภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะหยิบยื่นบักต์นิพพานให้เธอเธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหน แต่พระองค์จะกล่าวว่าอาขาตาโรตถาคตาระตถาคตเป็นแต่เพียงผูบ้บอกบอกทางบุญทางกุศลทางบุ ญ, ท า, บญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกวาหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึก คิดรวมได้สมาธิได้สติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามค า, ามเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราจะถาคตดีบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจต้องปฏิบัติแบบวีระผู้ดุปราสละชีวิตเข้าตูน่นรงสงคามโดยไม่ย่นยออไม่ ไม่ย่อเคาและไม่มีความบาดเพร่งศัตราพินิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดนะักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมยอมเสียสละที่เพิยเพื่อบูชาพ่อวัดปฏิบัติ ไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ป่าแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเสดินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสะแห่งโรกโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียดเทียบเหมือนปัจจาภิี่เคื่อนน้ำตาล เรายังหลงอยู่ในลาภลสรรเสริญในความสุขและอำนาจนั่นแต่เราหลงติดอยู่ในยาพิษเครือบน้ำตาลเราบริโภกเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึง้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราแ ะ, ะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไป เราคิดว่ามันเป็นการผูกต้องคือมันผูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปผิดผลของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปตา่ำในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกเพิดเพิดแต่เมื่อทำลงไปแล้ว เราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้รรารำมัินันมันจะเกิดเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเรียนผนตัดต้นตูดไยที่ไปที่ส้นตัดช่องย่องเบาแยงทิ้งทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตน ในขณะที่เขาทำการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีเกิดทีติเกิดความสุข ก, ก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคือยาพิษเคือนน้ำตาลได้มาแล้วจะบริโภคกวาดละแวงเอาไปไว้ที่ไหนกวาดละแวง ทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะรูอนับบวดนับปฏิบัติทั้งหลายที่ขาดความตรงรับทักดีขาดความส่้ตัดต่อพระธรรมอริยัยขาดความื่อตรงต่อคำสอนของทมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้า ไม่แอบทำความผิดอยู่เฉพาะตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกคำเลิกเกิดทอดทิ่อดี เราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิต้าเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีให้มันเพ่งพัดเข้า หาสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามักนผลนิพพานฝุกฝลอบรมจิตของตนเองให้มีความคล่งตัวต่อความเป็นเช่นนั้น สานตีบามังสัพตีติขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นสัปกรรมคือความเพียรเผาบาทอย่างยิ่งความโลกความโตดความหลงความรักความทอบความเปลี่ยนมีกันอยู่ทุกคน เรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติปฏิบัติทออเพื่อประจักษ์ิเลตทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ควรแหละหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากษษษษสติสัมปราัญยะความยับยั้งข้างใจแหละขันติความอดทน เราเรียนทำเรียนวินัยเราฟังธรรมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีหรือในคำพี่ก็ดีเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจ เข้าใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปพอพัฒปฏิบัติต mm. ัด ก, กายวาจาในใจของตนเองให้เป็นไปตามระบอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนต้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นรูปความชอบความเกลียดก็มี เมื่อเรายังมีกิเลสเป็นผู้ตุชนอยู่หูได้ยินเสียงความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมื่อลิ้นสัมผัสกับรสความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากก็ทบจมูกความชอบความเกลียดย่อมมี เมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเรานึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหม โดให้มันโลแจ้งทัดเกณฑ์ลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลเรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้อง โดยจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิตที่บันชทบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์แหละไม่ใช่ประโยชน์ เราใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นตับปา ก, ก ร, รมเพราะความเคยชินต่อการอดอดทนจะจนเป็นนิสัยนิสใสหมายถึงความเคยชิน ทีแรกเราสร้างใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดล่วงเกินจิตใจมันนุสงแต่งดิตึงอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามนอนจิตนอนใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อฝึอกอวรมจนคล่องตัวมันเป็นนิสัย เนื้ใสก็คือความเจริลิ่นตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเสียบร้อยกระโดดกระดกตลงส้นงดงตึ ง, งไม่ใช่สันดาลผู้ดี แต่เมื่อเราพยายามอดทนฝึกหัดค่อยย่องย่องเบาๆจนเคยจนชินจนค่องตัวหนักๆเข้าการเดินของเราก็จะมีความสุมภาพเรียบร้อยฝีเท้าก็เบาไม่ตึงๆลงช้นเหมือนอย่างแต่ก่อนและเมื่อเราฝึกหัดจนเคยชินจนคช่องตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทําอย่างนั้น เพราะอาศัยความคล่องตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม่การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจนคล่องตัวจนเป็นนิสัย แม้แต่การพูดโดยวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียสีคำกระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิ ด, ด้วยเกตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นเพราะมันผิดสี อดทนจนขล่องตัวจนเป็นเนิ้ใสจนเราพูดคำหยาบทายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกฝนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณท่าพบท่าทำประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลา เป็นนิสัยนิสัยที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างขึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตคือเจตนาอันแน่วแน่เมื่อมันถึงเรื่องความละเอียดจังลึกซึ้งลงไปในจิตมันกลายเป็นอุปนิสัยสิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดไะจนท่องตัว จนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากมาเมาเพิ่มพูนขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในเมื่อถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมี ผลงานความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใกล้จะตายไม่ต้องตั้งใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเรา เมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไร่เมื่อถึงคราวโกดเหตุใดเมื่อไร่อุปณิสัยวาสนาบุญบรารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกผัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการทำวามดี คืยขัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความทั่วคือความบาปบางก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางก็มีความโง่เม่าต่าสุดบางก็โง่จนกระทั่งถึงขนาที่ว่าทมฟังธทมไม่รู้เรื่อง ฟังกโก็จนกระทั่งถึงขนาที่ว่าทมฟังทมไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทางนี้ทางนั้นก็เพราะอุปนิสัยวาสน า, ารามีเก่าก่อนมาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกัมมังสเตวิพัฒนติ แล้วพระเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลาย ร, รมย่อมจำแรกสัตว์ทั้งหลายให้เพนไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมา บางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติปฏิบัติชอบได้อย่างคล่องตัวแนธจรมนิดรรมนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลาอจู่นั่นเพราะบุญวาสนาบารมีของเก่าของเข้ามาสนับสนุนความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้พระองค์โลกปกครนิวาสานุสติยานโลขัดในอดีตของพระองค์ได้แล้โลกุตูปปาติยานโลการจุกปีละเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายได้โลธรรมมัตกาญยานโลวิสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามปกฎของกับ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลถ้าพระพเจาวาท่าน ก, ก็จะจามสอนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนไม่ได้คือเทวทัตท่านก็ปล่อยตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตา ลองคิดดูทีส่สมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อท่านเทวทัตท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิดแค่ฝูคิดจะทำลายพระพุทธเจ้าเลี่งก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทับพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นทุนวิสุน พระองค์ทรงพิจารณาดูวาละกิบของท่านเทวทัตทรงทราบฝ่าถ้าเทวทัตไม่ได้ทำได้เราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอกแตกตายจะลมดโอกาสที่จะได้กลับเสื้อกลับตัวเมื่อก่อนหินสะเกตหินแตกกระเด็นมาพระองค์ยืน่นพระบาทไปรองรับให้ แต่เกตเห็นที่พระเทวทัตโยมลงมานั่นผูกหลังก็บาทพ่อพระองค์หดขึ้นนิดหน่อยและเทวทัตก็ดีอกดีใจว่าเราได้ทําร้ายพระพุทธเจา้าสมประสงค์แม่ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปรวมกระทั่งหนักหนักเข้าพาลูกติดลูกหาหนีไปจากพระพุทธเจา้าจะไปตั้งศาสนาใหม่ แต่เสร็จแล้วไปไปมามาเพราะท่านเทวทัศรรมนันตริยกรรมจิตที่เคยเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติเพอเห้นเดินอาป่าใจก็ทำให้เสื่อมสูงจากคุณงามความดีทรมานันตริยกรรมสีมก็ผ่านสมาธิก็เสื่อมสูงอิทธิริ์ก็ ทังทัหลายเมื่อก่อนเทวทัตจะไปไหนมาไหนหเหิ่นเดินนากาศหลังจากที่ทำอนันตริยกรรมคนที่รมสวมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินซักซักซัา บ, บเดรพอไปไม่ได้เหมือนอย่างก่อนท่านผู้ต่อบริษัททั้งหลายท่านจะทำกรรมอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ ทำไปเถอะขออย่างเดียวจะไปเถอะทำอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้วส่วนจากมักผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานพา ล, ลาชิกคือผู้ไถ่แค่ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปนะักหนึ่งข่าพีดาสองขามานดา สามทำ้ายพระพุทธเจ้าให้หอบพระโลภะโลหิตขึ้นสามา่าพระอรหนสามฆ่าพระสี่าพระอรหรันห้าทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึ่งขัดผมประโดยชน์กันแตกสามัคคีกัน ทะละบอกแวงกันญาติชมอย่าจจไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นอนันตริยกรรมไม่รู้ตัวเช่นอย่างล้งพ่อวัดใต้ล้งพ่อวัดเหนือต่างก็มีญาติมีโยมกันดยแยะขาดสมประโยนกันแล้วก็ทะเลาะผิดเสียงกัน ต่งคนก็ต่างมีรูปเจตทั้งพระทั้งโยมแต่กันเป็นเทเป็นพวกยกพวกขึ้นมาลบกันถ้าพระสง์แต่สามัคคีกันเป็นกลุ่มแต่งแต่ฝ่ายลทศรูปขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเภศในเมื่อสังฆเพศแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทําลายสงฆ์ให้แตกกันบาสนับบาหนา เพราะฉะนั้นการทำบาปทำกรรมให้รับหวังอนันตริยกรรมให้มากๆการทำบาปอย่างอื่นเช่นฆ่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีอบา ท, ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระองคุริมานฆ่าคนมาที่นับได้เก้าร้อยเก้าิบเก้าคน พอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้อุปสมบทเป็นท่าสงฆ์ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนแปดสิบองค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลืมเสียสืต บาปกรรมอย่างใรที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าสงสัยห้องใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะปิดทางมรรคผลนิพพานให้พยายามคงจิตคมใจจะได้ไปละวลึกถึงมันเป็นอันขาดถ้ามันละลึก อดละลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากมากจนมันลืมความหลังเ่อมันลืมความหลังแล้วจิตก็ไม่จดจ้องอยู่ที่คุณท่าพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่ลึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจตมันก็ไม่ได้าให้ไปกังวลกับบาปในอดีต การ น, นึกถึงสุโทโธเป็นพุทธานุสติและนึกถึงบุญของเทพุทธเจ้าโลกนึกถึงก็เป็นบุญแม่จิตไม่สงบชอบทำเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจาระสมาธิก็ยังดี แต่มันมีอย่างนี้นาญาติโยมตอนจะมาเลชินีนาโถหองปู่สิงใหญ่ท่านกล่าวว่าปลุกใจก็ือปราบมารคาถาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโทพุทโธ ทีนี่มารนี่ตัวขันท่ามา น, นี่เป็นตัวสําคัญขันท่ามานก็คือร่างกายของเรานะั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเมื่อมันปวดปวดเมืเ่อยเจ็บขึ้นมาแล้วตัวกิเลสมารมันก็มาแท้คืออ阿拉ติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมานตัวตายพอปฏิบัติมากไปมันตัวายเดี๋ยวแข่ขามันจะมึนชาไปกบบแต่กลายเป็นหน้อยเป็นเปรีย้ยโดยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ภูกิเลสสมานมันทำลายทีนี้เวลาขันธมานมันแสดงฤทธมันขึ้นมา หาิ่งในขณะใดที่เราภาวนาโพโตโพโตโพโตจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธ์ขมานมันจะแสดงตัวให้ปรากฏทันทีความเจ็บปวดความโสดเมื่อยมันก็บังเกิดขึ้นมาประเดียวสัวต้นคอประเดี๋ยวปสดหัวประเดี๋ยวปวดตาระหว่างหัวเรียวหัวต่อเนี่ย ระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิตัดขา ด, ด, ดจากร่างกายนี่แหละอุปสาารรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นแม่มันอุปหัำคันเลือทนอยากจะ ก, กระโดดโลดเต้นทีนี้ในตอนนี้ท่านักภาวนาท่านใดอดทนพยายามเอาชนะมันให้ได้โดยไม่ยอมแพ้มันง่าย ต่อสู้กับมันปมสุกพิสัยที่จะสู้ได้เพียงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถฝึกขาดอดทนบ่อยๆบ่อยๆทนไม่ได้ก็ทนทนได้ก็ทนรวมต่อความคล่องตัวจนทานี้ทานานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยังําไม่พลิกไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับมันได้ ในเมื่อผ่านในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะดวกสบายมากทำไมขันธมามันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏและคกิเลสมานก็มาย้ำเข้าไปอีกิเลสทั้งหลายนี่มันกลัวเราจะหนีจากมันเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธมาขัดขวางเรา เราจะต้องปราบมันด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิกายเบาจิตเบาล า, ายสงบจิตสงบแถมมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนั่นแหละเราจึงแะ่ปราบขันธมารให้ผ่านพ้นไปได้ นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้าหาคากราบใดที่เราเอาสมาธิในขั้นตนนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษาคนงจมัวจะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้วทะเลาะเหตเสียงกันอุตรุป เพระฉะนั้นใครเลือดหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแน่โค ท, ทรไปยุบเนอโคตรหนอกปยุบเนอโคตรเนอไปสำมาหังก์ก็สำมาลังก์ไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าขี้เกียจแล้วเราอาจจะนั่งหลับทาทำใจให้มันดู่เฉย ไม่ตั้งไม่ต้องตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกำหนดสติรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีมันันลองดูที่มันจะสามารถเข้าไปถึ่สมาธิได้หรือเปล่าแต่คนทั้งหลายา็ว่าอย่างนี้เด้หลวงพ่อเคยเทศว่า หน้ที่บริกรรมภาวนาอยู่ใช้จิตอยู่แบบบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นก็ควรปล่อยให้มันไปบ้างแต่อย่าลืมทำสติกำหนดตามรู้มันเลื่อยไปมีพระเอาหนึ่งบอกว่าทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งพุ่งใหญ่ติดรวังนลองลองดูมันจะพุ่งไหม ถ้าเราเะยคิดว่าในขณะใดที่เราบังคับจิตของเราให้อยู่นิ่งหรืออยู่กับบริกรรมภาวนาไม่ได้ถ้าเราเะคิดว่าเอา้าไิเดจกคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกแ น, นจะลงห้วยลงเขวขึ้นฟ้าขึ้นทวันลงนรกฉันจะตามแกไปไปมันจนสุดกำลังก็แม้ลองดูเนี่โอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิชอบการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหม เฮ้ยอันนี้มิเต็งจะไปเสือพืนคนเขาเพราะวาหน้าผู้พ่อผูพ่อผู้พทอผู้พ่อจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขสป็นส่วนทั้งตัวเทก็ทําไม่ได้แล้วก็ไปยึดอยูนั่นหนหะทีนี้ทีหลังมาคนอื่นเขาว่ายุบเนอคองเนอยุกเนอคองเนอจิตเขาสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขเขได้ยินเข้าคัวมไม่เคยยุบเคยคองกับเขา ปรหาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอีกแล้นักปฏิบัติของเราอยาเป็นเช่นนั้นให้พยายามทำใจถหามันเป็นกลางต่อวิธีการปฏิบัติที่กล่าวกล่าวที่เิีงเถียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นละ่ะเป็นแต่เพียงไปเชิดสู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเช่นอย่างบางทีบางท่านก็ว่า ภาวนาผู้โทผู้โทจิตมันสงบเป็นสมถะเท่านั้นแหละไม่ถึงนิปพัส น, นาดอกมาเทของวัดและภาวนายกหน้อยฟังน้อยจิตสมบผู้ลงสว่างเข้าล่งสมนิพพัสนาแล้วภาวนาผู้โทจิตสงบผู้ลงนิ่มสว่างโล่งสมเป็นสมถะ แล้วทีนี้เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนๆกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวมันเป็นสมถะทั้งนั้นแหละทีนี้เจิตที่สงบลงเป็นสมถานั้นมันก็มีวิปัสนาอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไร ระการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึกฝมอบรมเรียกมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเยือกเยนปลี่ยนจากความด่วนร้อนไปสู่ความสุบความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมันถ้าจิตใด้กำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงเกากำหนดรู้อันนี้จังใจ และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งทุกบลงไปสว่างโปร่งขึ้นมารารู้ทันทีว่านี่คือสมาธิความสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมาถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมาถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนา ก็ได้ที่ยวงหาเขียงกันให้มันปวดหั ว, วประหม่าทำไรทีนี้แกการแก้ปัญหาเรื่องธรรมะมต่างๆในแก้กันที่ตรงไหนอะแก่กันที่ตาหูสมองเป็นกา ย, ายใจจักรวาสัมวโรสาทุการสำรวมตาเป็นการดีสาธุโสเทนะสังวโรการสำรวนหูเป็นการดี คาเนนัสังมโรสาธุการสำรวมจมูกเป็นการดีชิวหายะสังมโรสาธุการสำรวมลิ้นเป็นการดีกายเนนัสังมโรสาธุสำรวมกายเป็นการดีภาษาสังมโรสาธุการสำรวมใจเป็นการดีสัพพาชาสังมุทโตพิโคพิโคสำรวมในที่ทั้งปวงย่อมทนจากทุก มันค้นอย่างไรสํารวมตาเนี่ยสัารวมอย่างไรมีตาแล้วไม่ดูมันหรือไม่ใชยดูแต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาหาเรื่องหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียหูหาเรื่องจมูกก็อย่าให้เป็นจมกูกหาเรื่องลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นหาเรื่อง ก, กายก็อย่าเป็นกายหาเรื่อง แต่เดียวยกตัวอย่างเช่นพระเทพราฐานใหญ่โตเริมมาเขาจัดปฏิสิิ์ร่างๆให้พักรู้มันทำไม่สมเกียรติสมยศเราเนี่ยมันกลาย ก, ายกายันไหาเรื่องแล้วมันจะลอดที่ดีๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การโฟสติสัมปชัญญะให้รู้พร้อมอยู่จีตตาหูสมูงเลิ้นกาย ใ, ใจ สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรเป็นบุญแก้บาปให้มันมากมากเพิุญให้มันมากมากมันก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติอ่แต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขาตาโลตตาคาต า, า, า, า, า, า, า, าพระตถาคตเป็นแต่เพียงสู้บอกใครจะได้ดีได้ดีทมเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอแนะนำมิธีสร้างพลังสิล การนอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการรับทานเป็นเวลาการขับถ่ายเป็นเวลาการอาบน้ำทาละกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจจะไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจสักอย่างสักอย่างหนึ่ง ให้เป็นวิหารธรรมเคลื่ อ, อยดูต้องใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบาละมี ถ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารบมีใกล้ต่อการตรัสรู้หาขาดสัจจะความจริงใจแล้วยังหา่างพระพธิ์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีไปบวชเป็นโลสีอยู่ในป่าหิมพานต์พระอารนุ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินทองทนนครหนึ่ง มาถึงหน้าแดงพระฤาษีก็มาทางอากาศมาภาพอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผนดินอาณน์ที่นี้พระเจ้าแผนดินอาณ์ทรงทราบเสด็จไปเฝ้าธมัตรการถวายการอุปถัมภ์ประทาวรบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือในใจให้เอาใจใส่กัน พระษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤอธิฐานจิตให้พระลาชาพระลาชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถาด้วยการนิมนต์มาฉันจังหันในพลัดถ่วงทุกวันทุกวั น, ท, วนที่น้โยมาในการครั้งหนึ่งข้าศึกมันมาประชิดชายแดง แต่๋ยววันจนพูดรายมันก่อจราจมขึ้นมาพระเจ้าแผนดินยกทัพไปปราบตนมอบหน้าที่การอุปถัมภะลูสีไว้กับพระลาชินีพระลาชินีก็ทรงทาธุระหน้าที่แทนพระอมเป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากรรมพระลาชินีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าย่พ่อพระลูศีก็ไม่เสด็จมาสักที พระฤาษีมาก็เหาะมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เลยชกชกมามันอย่างเราบางคนวันนั้นพระราชินีคอยแล้วคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนื่อยก็เอ็นเพราะวรกายลงไปไม่หลับไปรับอย่างสนิทฝ่ายพระฤาษีก็เข้าทานสมาบัติเกิน พออกจากฐานสมาบัตดอ้าวได้เวลาหันจังหันแล้วอธิษฐานเจ็บเข้าสู่สมาบัตดพอมาทางอากาศพอหอมมาทางอากาศหากเกิหนุ่มผมของพระลสีบางทีก็ใช้เปลือกไม้บ้างบางทีก็ใช้หนังเสือบ้างพอหอมมาทางอากาศเสียงกระทบกระดังถูกสัพกระโดดชุกลงมาภายในห้องท้องตลบ พระราชนีกำลังบรรทมหลับสะดุ้งองตึงขึ้นไม่ได้ระวัง อ, อกลอยทุกสถิ่งทุกขอย่างกลายกันการยั่วยวนให้พระฤีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพระฤีเสสวมขาดความยัดยั้งทั่งใจขาดศีลคนไม่ไหวก็กระโดดซ้ำพระราชนีโดยฉันจังหันเสร็จหลังจากนั้นก็ เพะมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินเดินมาถันจังหันฉันทั้งจังหันถันทั้งเพนแล้วก็กลับไปสู่สวนอุทยานจนกระทั่งพระราชาปลาบข่าสึดสงบรบลับข่ารงเสด็จกลับพระราชาวังนับสนมกำนันก็คอยเพ็ดหูว่าพระราชีนีนี่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงสรั่ง พระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญ า, าณของนักบวโดยตั้งท้าทายว่าถ้าเราจะไปถามพระฤษีถ้าพระฤษีรับอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นปิญญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี้นพอเสด็จไปเจ้ากอบถามพระฤษีว่าพระคุเจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาบอกเออพระลอยชาที่เขากบนับถือเรา ถ้าเราจะโปค์ผมพวกองค์ก็ต้องส่งเชื่วแต่พอเลื่อน อ, อะไรเราสร้างบา ร, รมีพวกตรัสรู้แล้วจะมาเสียสัต จ, จะเราจะทวนไปตามความจริงดีกว่าพอพระราชาถา ม, มาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าขา่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเรี่ยกขั้งแขร่งในสัจจะบา ร, รมีแท้จริงสิงการประท้วงเช่นนี้มีโอดถึงข้อค่ะ ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษผู้กระทำผิดได้โดยอาจาโดยอันาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวความตายหน้าอัศจรรย์เอาล ะ, ะาพระคุณเจ้าถีบแล้วคุณเจ้าประพฤติร่่งเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปพราคุณเจ้าอยาประพฤติเช่นั้นอีกเราอนุญาตให้ พอเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชรวังแล้วก็ไม่ทรงปลิวไม่เอาโทษเพราะมาเหสีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าโอ้ความผิดหายไยก็ถึเพ็นมเพราะเรามาสู่แดนมนุษย์นี้้วมาสู่แดนมนุษย์นี่มันมีแต่ภัยอันตรายพระอาจารย์ของเราสอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วใ่ เลาหวังสัตว์มีเขาที่อกมันจะปิดเอาตายเราก็มาเจอด้จริงๆอย่างนี้สิอย่าล้ต่อไปนี้เราไม่มาใกล้มันอีกแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเท่าทานสมาบาททัติเพอะหนีไปอยู่ป่ายอิมพาัานตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จลงมาสู่โลกในเครวามน่าของสัจจะพารมีความจริง ผิดรูว่าตัวผิดถูกรว่าตัวถูกไม่ โ, โกหกใครผิดรับไปตามผิดถูกรับไปตามถูกนั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสัจจะบารมีบ้างเราจะสวดมนต์ทำบัดรร่วมกันทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันดนจนก ม, มทุกวัน จะนั่งสมาธิทุกโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้สามสิบนาทีก็นั่งให้มันได้อย่าไปหรอแหลกนี่คือการสร้างบารามีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงปู่เสานี่ท่านสอนให้นอนสี่ทุ่มตื่นตีสาม 4, 3, นอนสี่ทุ่มตื่นตีสาอันนี้เป็นหลักคําสอนที่เบื้องต้นท่านเที่ยวเห็นนักหนาหาใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังเข็ญพลังใจมีสัจจะความจริงใจ เอาละนะ้วนพอสมควรแล้วคงพูดสะเทินไปผงฟังก็ผมเมือ่อยเจ็บแย่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอหยุดผิดการบรรยายธรรมะเ็เป็นกติกเกอนใจของท่านทั้งหลายทั่วเวลาเพียงเท่านีน้ทำหนดผิดอย่างไรเดินตรงวามภาวนาพุโทโธพุทโธอย่างเก่านั่นแหละ การเดินโงนกลมนี่เราได้สร้างสติสัมปชัญญะมากกว่านั่งรูอ้นอนเพราะเราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องไประวังอะไรนอนยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินโงนกลมนั่งสมาธิเดินกัมดบิดนอนพักผอนวันหนึ่งยี่สิบสี่